ก็โดยธรรมดาพระอริยะบุคคลแม้ขนายพระโสดาบันก็ยอมเป็นผู้มีความสามารถในอันที่จะกลับใจคนให้เป็นคนดีได้ง่ายมากทั้งนี้ก็เพราะพระอริยะบุคคลเป็นผู้ที่มีความรู้แจ้งในธรรมะจริงๆดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพระเสคขะจะรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้พระเสกขาจะรู้แจ้งซึ่งโยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก รเาเซคะจะรู้แจ้งซึ่งบทแห่งธรรมะทิตตถาคตแสดงไว้ดีแล้วเหมือนแมน่ม a l a การผู้ฉลาดรู้จักเลือกสานดอกไม้เอามาทำเป็นพวงมาลัยขอให้สังเกตคำพูดประโยคสุดท้ายที่ว่าพระเซค่ะจะรู้แจ้งซึ่งบทแห่งธรรมะทิตตถาคตแสดงเอาไว้ดีแล้วคำว่าเซค่ะแปลว่าผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่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 และผลของการสอนซึ่งมันจะออกมาจริงๆนั้นก็คือความเลวร้ายต่างๆชนิดที่หยาบคายซึ่งใครๆก็มองเห็นโทษอันนี้จะหมดไปจากสังคมด้วรวดเร็วส่วนความชั่วร้ายชนิดที่ยังปะปนอยู่กับความดีซึ่งคนทั้งหลายมองเห็นว่าการกระทำอย่างนี้แม้ว่าจะเป็นบาปแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนทั่วไปเช่นการทาการประมงการตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์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 ใครบ้างเป็นบุคคลที่พอจะสอนได้แล้วท่านก็จะสอนบุคคลประเภทนี้ก่อนในเมื่อบุคคลที่เกเรใครก็ลงความเห็นว่าเป็นคนที่ร้ายกาจยากที่จะสอนได้นั้นเมื่อท่านสามารถกลับใจก็ได้คนอื่นๆที่ไม่ร้ายกาจถึงขนาดนี้ท่านก็ยอมจะสอนให้เขากลับใจเป็นคนดีได้ง่ายยิ่งขึนอนหนึ่งโดยปกติความเลวร้ายต่างๆในสังคมนั้น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 และมีอิทธิพลโน้มน้าจิตใจคนทั้งหลายให้อยู่ในศีลธรรมได้ไม่น้อยเลยทั้งที่เราทั้งหลายก็ยอมรับว่าท่านยังเป็นพระปูตุชนอยู่ยังไม่ได้เป็นอาริยะก็ยังทำให้เราทั้งหลายเคารพนับถือได้อย่างสนิทใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านด้วยความศรัทธาขนาดเป็นปูทุชนยังมีผลถึงขนาดนี้ถ้าท่านเป็นพระอาริยะคนทั้งหลายจะเคารพนับถือท่านมากขึ้นอีกสักเท่าไหร่